องประกอบข้อ3เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์คำว่าเนื้อนาบุญในที่นี้ได้แก่บุคคลผู้รับการทําทานของผู้ทําทานนั่นเองนับว่าเป็นองค์ประกอบข้อที่สําคัญที่สุดแม้ว่าองค์ประกอบในการทําทานข้อ1และสองจะงามบริสุทธิ์ครบถ้วนดีแล้วกล่าวคือวัตถุที่ทําทานนั้น เป็นของที่แสวงหาได้มาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาในการทำทานก็งามบริสุทธิ์พร้อมทั้งสระยะแต่ตัวผู้รับการทำทานเป็นคนที่ไม่ดีไม่ใช่ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญที่เลวทานที่ทำไปนั้นก็ไม่ผลิดอกออกผลเปรียบเหมือนกับการหว่านเมล็ดข้าวเปลือกลงในพื้นนาหนึ่งกามือแม้เมล็ดข้าวนั้นจะเป็นพันธุ์ดี ที่พร้อมจะงอกงามในวงเล็บวัตถุทานบริสุทธิ์และผู้หวานคือกสิกรก็มีเจตนาจะหวานเพื่อทำนาให้เกิดผลิตผลเป็นอาชีพในวงเล็บเจตนาบริสุทธิ์แต่หากที่นานั้นเป็นที่ที่ไม่สม่าเสมอกันมเมล็ดข้าวที่หวานลงไปก็งอกเงยไม่เสมอกันโดยมเมล็ดที่ไปตกในที่เป็นดินดีปุ๋ยดี มีน้ำอุดมดีก็จะงอกเงยมีผลิตผลที่สมบูรณ์ส่วนมเมล็ดที่ไปตกบนพื้นนาที่แห้งแลง้งมีแต่กรวดกับทรายและขาดน้ำ macht, ก็จะเหี่ยวแห้งหรือเฉาตายหรือก็ไม่งอกเงยเสียเลยการทำทานนั้นผลิตผลทีผล่ผู้ทำทานจะได้รับก็คือบุญหากผู้ที่รับการให้ทาน ไม่เป็นเนื้อนาที่ดีสำหรับการทำบุญแล้วผลของทานคือบุญก็จะไม่เกิดขึ้นแม้จะเกิดก็ไม่สมบูรณ์เพราะจะแกรนหรือแห้งเหี่ยวเฉาไปด้วยประการต่างๆฉะนั้นในการทำทานตัวบุคคลผู้รับของที่เราให้ทานจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดเราพูดทำทานจะได้บุญมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับคนพวกนี้คนที่รับการให้ทานนั้นหากเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมสูงก็ย่อมเป็นเนื้อนาบุญที่ดีทานที่เราได้ทำไปแล้วก็เกิดผลบุญมากหากผู้รับการให้ทานเป็นผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมผลของทานก็ไม่เกิดขึ้นคือได้บุญน้อยฉะนั้น คติโบราณที่กล่าวว่าทำบุญอย่าถามพระหรือตักบาตรอย่าเลือกพระเห็นจะใช้ไม่ได้ในสมัยนี้เพราะพระในสมัยนี้ไม่เหมือนกับท่านในสมัยก่อนๆที่บวชเพราะมุ่งจะหนีสงสารโดยมุ่งจะทำมรรคผลและพระนิพพานให้แจ้งท่านจึงเป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริฐแต่ในสมัยนี้มีอยู่บางคน ที่บวช ด, ด้วยคติสี่ประการคือบวชเป็นประเพณีบวชหนีทหารบวชผานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนทำมวินัยใดๆท่านไม่สนใจเพียงแต่มีผ้าเหลืองห่มคลุมกายท่านก็นึกว่าตนเป็นพระและเป็นเนื้อนาบุญเสียแล้วซึ่งป่วยการจะกล่าวไปถึงศีล ป, ปาติโมก227ข้อ แม้แต่เพียงแค่ศีลห้าก็ยังเอาแน่ไม่ได้ว่าท่านจะมีหรือไม่การบวชที่แท้จริงแล้วก็เพื่อจะละความโลภโกรธและหลงปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะได้พบกับท่านที่เป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริฐข้อนี้ย่อมขึ้นอยู่กับวาสนาของเราผู้ทาทานเป็นสำคัญ หากเราได้เคยสร้างสมอบรมสร้างบารมีมาด้วยดีในอดีตชาติเป็นอันมากแล้วบารมีนั้นก็จะเป็นพลังวาสนาน้อมนําให้ได้พบกับท่านที่เป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริฐทำทานครั้งใดก็มักโชคดีได้พบกับท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเสียทุกครั้งหากบุญวาสนาของเราน้อยและไม่มั่นคง จะได้พบกับท่านที่เป็นเนื้อนาบุญบ้างได้พบกับอลัตชีบ้างคือดีและชั่วคละกันไปเช่นเดียวกับการซื้อสลากกินแบ่งสลากกินรวบหากมีวาสนาบารมีเพราะได้เคยทำบุญให้ทานฝากกับสวรรค์ไว้ในชาติก่อนๆ ก, ก็ย่อมมีวาสนาให้ถูกรางวัลได้หากไม่มีวาสนาเพราะไม่เคยได้ทำบุญทำทานฝากสวรรค์เอาไว้เลย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 จากน้อยไปหามากดังนี้คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอระหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นเนื้อนาบุญที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้